ในต้นไม้ต้นนั้นนี่แหละอันนี้เรามาถึงใบไม้ที่มันจะแก่เมันจะเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่คนโบราณเขาเรียกว่านั่งอยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองฮต้นไม้อยู่ใกล้ฝั่งนั่งใกล้คลองพร้อมที่จะโค่นที่จะล้มลงในคลองได้ไ ง, ง่ายๆไม่มีต้นไม้ต้นไหนจะไม่ล้ม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 ถ้าไม่คิดคิดช น, นะคิดไว้นะเดินทางแน่ๆนะก่อนที่เราจะเดินทางเสื้อผ้าของเรามีพร้อมอรไอย่างกระเป๋าเดินทางพวกรองเท้าพวกร่มเรื่องของที่จะใช้ในกระเป๋าของเราเตรียมพร้อมอรไรอย่างเราวางแผนไว้ที่ไหนล้วจะไปพักที่ไหนเดินทางไปจะไปพักค้างที่ไหนก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทาง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 พามัจุราชหรือว่าท่านเอามาเพียงแค่นั้นผมเล็กคิดให้เพียงแค่นั้นเนี่ยมคืออะไรคือคือกรรมกรรมเล็กคิดให้ได้เพียงแค่นั้นกรรมเป็นผู้กำหนดจะอายุสั้นอายุยาวกรรมเป็นผู้กาหนดกรรมคือการกระทำผู้ที่อายุยืนยาวทำำํากรรมใ น, นอดีตไว้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์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 หลวงพ่อเองเนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกเมื่อตัวเองไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วยังบอกพวกเราท่านทั้งหลายอีกลูกหลานทุกคนเอออย่าตั้งอ ย, อยู่ในความประมาทขนะนาดหลวงพ่อเน่คิดเต็มใจแล้วจนะิงไหนที่เป็นคุณงามความดีจิงไหนที่เป็นบุญกุศลจิงไหนที่จะพน้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ทำเต็มที่เลยในจุดนั้นนะรับพรอนุโมทนาให้พร